ว่าด้วยนิมิตโอพาสครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตราวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตเมื่อเสด็จกลับจากบินทบาตภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงถือผ้านิสสีธนะผ้ารองนั่งเราจะเข้าไปพักกลางวันที่ ปาวัลเจดีท่านพระอานนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วเถอผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปลิดแสดครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ท่านพระอานนท์ปูลาถวายท่านพระอนนท์ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมสัตตรมพระเจดีน่ารื่นรมพระหุปุตตะเจดีน่ารื่นรมสารันทะเจดีน่ารื่นรมปาวาลเจดีน่ารื่นรมอิทิบาสี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 ปรารคดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตที่ชัดแจ้งทรงทำโอภาษที่ชัดเจนแม้อย่างนี้ท่านพระอนุ์ก็ม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดารงพระชนมาชีพอยู่ตลอดกับ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 เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะท่านพระอนนท์ถูกมารดนใจจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าไปเถิดอนนท์เธอจงกำหนดเวลาที่สมควรหนบัดนี้เถิดท่านพระอนนท์ทูลรับสนองพระดารัสแล้วลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลมารกราบทูลให้ปรินิพานครั้นเมื่อท่านพระอาณนจากไปไม่นาน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 เราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นผหูสูดไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบ ป, ประวาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้ภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้กลาเป็นผู้หูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดง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 มารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ภิกษุณีทั้งหลายผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่กล้ากล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่ายไม่ได้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 มารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่อุบาสกทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่เกร้ยวก้าไม่เป็นผู้หูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจาแนกทำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราปรับประว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้อุบาสกทั้งหลายผู้สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำํำกล้าวกล้าเป็นผู้หูสูดทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดงบัญญัติกําหนด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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมานทูลอาราธนาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตอบมานผู้มีบาปดังนี้ว่ามานผู้มีบาปท่านจงอย่ากังวลเลยอีกไม่นานการป ร, รินิพานของตถาคตจะมี จากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปริณิพานรทรงปรงพระชนมายุสังขารเวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปรงพระมายุสังขารแล้วณปาวาลเจดี เมื่อพระองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นจึงทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นดังนี้ว่าพระมุนีละกรรมที่ช่างได้และที่ช่างไม่ได้อันเป็นเหตุก่อกำเนิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้ว ยินดีในภายในมีใจมั่นคงทำลายกิเลสที่เกิดในตนได้เหมือนนักรบทำลายเกราะได้ฉะนั้นเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแปประการลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าสะพรงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกกล้องอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอาศัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพก็ดังกึกก้องอะไรนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน เหตุปัจจัยแปประการนี้ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเหตุปัจจัยแปประการอะไรบ้างคือ 1. มหาปฏพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเวลาที่ลมพายุพัดแรงย่อมทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำที่กระเพื่อมย่อมทำให้แผ่นดินไหวตามนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่หนึ่ง ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 2. สมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์มีความชํานาญทางจิตหรือเทพผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้เจริญปฐวีสัญญานิดหน่อยแต่เจริญอาโปสัญญาจนหาประมาณมิได้จึงทำให้แผ่นดินนี้ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สองที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 3. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 4. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูตจากพระคันของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น นี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 5. คราวที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่หที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 6. คราวที่ตถาคตประกาศธรรมจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น นี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่หกที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเคราวที่ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่เจ็ดที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 8. ปคราวที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาต แผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่8ที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอานนท์เหตุปัจจัย8ประการนี้ <Bangladesh> แลที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง <undes mond> บริษัท8ปดจำพวก อนุนบริษัท8ปดจำพวกนี้บริษัทแปดจำพวกไหนบ้างคือ 1. คัติยะบริษัทชุมนุมกษัตรย์ 2. พราหมณ์บริษัทชุมนุมพราหมณ์ 3. าขะหบดีบริษัทชุมนุมขะหบดี 4. สมณะบริษัทชุมนุมสมณะ 5. จาตุมหาราชบริษัทชุมนุมเทพชั้นจาตุมหาราช 6. ดาวดึงสะบริษัทชุมนุมเทพชั้นดาวดึง 7. มาระบริษัทชุมนุมมาร 8. พรมมาบริษัทชุมนุมพรมอานนท์เราจำได้ว่าเคยเข้าไปหาคติยะบริษัทหลายร้อยครั้งทั้งเคยนั่งพูดคุยและสนทนาในคติยะบริษัทนั้นกษสัตรเหล่านั้นมีวนะเช่นใดเราก็มีวนะเช่นนั้นกษสัตรเหล่านั้นมีเสียงเช่นใด เราก็มีเสียงเช่นนั้นเราชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถารแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาและเมื่อเรากำลังพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้กำลังพูดอยู่นี้เป็นใครเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ครั้นชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคทถาแล้วหายไปและเมื่อเราหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่หายไปแล้วนี้เป็นใครเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์อาน o ์เราจาได้ว่าเคยเข้าไปหาพรามณ์บริษัทหลายร้อยครั้งและถึงขหบดีบริษัทและถึงสมณบริษัทและถึงจาตุมหาราชบริษัท ละถึงดาวดึงสะบริษัทละถึงมาระบริษัทละถึงอานน์เราจำได้ว่าเคยเข้าไปหาพรหมบริษัทหลายร้อยครั้งทั้งเคยนั่งพูดคุยและสนทนาในพรหมบริษัทนั้นพรหมเหล่านั้นมีวั น, นะเช่นใดเราก็มีวั น, นะเช่นนั้นพรหมเหล่านั้นมีเสียงเช่นใดเราก็มีเสียงเช่นนั้นเราชี้แจงให้พรหมเหล่านั้นเห็นชัด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 อภิพายตนะแปประการอานน์อภิพายตนะแประการนี้อภิพายตนะแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่หนึ่ง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 ครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ส 4. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เ ร, รเราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สี่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 มีสีเขียวเข้มชั้นใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ชั้นนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายาตนะประการที่ห 6. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลือง มีส yes? ีเหลืองเปรีบ uh ด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเปรีบเหมือนดอกกัิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรีบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉั้นใดหรือเปรีบเหมือนผ้าเมืองพราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรีบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉั้นใดบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในข้อชันนั้นเหมือนกัน เห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบเมือมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ห 7. เจ็ดบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเปรียบเหมือนดอกชบาที่แดง มีสีแดงเปรีบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มชันใดหรือเปรีบเหมือนผ้าเมืองพราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรีบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มชันใดบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรีบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงมรูปเหล่านั้นได้ มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่เจ็บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มเปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มชั้นใด หรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบเมืองรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น นี้เป็นอภิพายตนะประการที่8อานนท์อภิพายตนะแประการนี้แลวิโมก 8. ประการอานน์วิโมกแประการนี้วิโมกประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกประการที่หนึ่งบุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่สองบุคคลผู้น้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกประการที่ส 4. บุคคลบรรลุอากาสานจายจัยนณะฌานโดยกําหนดว่า อากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่ส 5. บุคคลล่วงอากาศสารนัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่นี้เป็นวิโมกประการที่ห6 บุคคลล่วงวิญญาณญจายัจณะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนณะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่6 7. บุคคลล่วงอากินจัญญายัจะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายัจณะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่7 8. บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่แปดอานนท์วิโมกแปดประการนี้แหละทรงเล่าเรื่องมารอานนท์ สมัยหนึ่งเมื่อแรกตรัสรู้เราพักอยู่ที่ต้นอชปาลานิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาติตำบลอุรุเวลามารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเรายืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิด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 เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรระวาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้มารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ภิกษุณีทั้งหลายผู้สาวิกาาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนาไม่แกล้ากล้าไม่เป็นพหูสูด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 กระทั่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วอานนวันนี้เมื่อกี้นี้เองมารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเราที่ปาวัลเจดียืนหน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่า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 เวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคอานนท์เมื่อมารบอกอย่างนี้เราได้ตอบมารผู้มีบาปดังนี้ว่ามารผู้มีบาปท่านจงอย่า ก, กังวลเลยอีกไม่นานการปรินิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานอานนท์วันนี้เมื่อกี้นี้เองเรามีสติสัมปชัญญะ ปรงอายุสังขาร น, นะปาวาลเจดีรรพระอานน์กราบทูลอาราธนาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนตได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าอานน o ์เธอเชืนน่อความตรัสรู้ของตถาคตรหรือท่านพระอาน o น์ทูลตอบว่าเชื่อพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็เมื่อเธอเชื่อเชไหน ยังแค่นไขตถาคตถึงสามครั้งเล่าท่านพระอานนทุนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอา น, นุนอิทิบาสีผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารลบดีผู้นั้นเมื่อมุ่งหวัง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 ท่านพระอานนทุนตอบว่าเชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหตุนั้นแลอานนเรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอเมื่อตถาคตทำนิมิตที่ชัดแจ้งทำโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้เธอก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดารงพระชนม์ชีพอยู่ตลอดกับ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 เรื่องนี้เป็นความผิดของเธอ